มันก็เป็นเรื่องดีไงเขาเรียกว่าเป็นจุดที่เราจะได้ใช้เป็นแง่เป็นเนื่องที่เราจะได้เริ่มอะไรดีๆใหม่ๆ ห, หรือเริ่มที่จะลดทอนความไม่ดีที่เราเคยได้กระทามาหรือว่าละเลิกมันไปก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเหมือนกันถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเลิกนามยามดี แต่ก็ไม่ใช่แบบเลือกยำยำดีต้องไปดูวันเดือนปีดูดวงดาวอะไรอย่างเง้ยหรอกนะอันนั้นก็ก็เป็นความเชื่ออีกแบบหนึ่งไปแต่ก็ถือว่าวันเลิกดีก็คือวันที่เราจะทําความดีละความชัว่วนี่แหละอันนี้ก็คือเลิกดีแน่นอนทําตอนนี้ดีตอนนี้เพราะฉะนั้นการที่เราได้มาทบทวนว่าอ ปีนี้เราได้ทําอะไรไปบ้างต้องปรับปรุงอะไรไปบ้างมันก็เป็นเรื่องดีแต่ละคนแต่ละท่านพอพูดอย่างนี้เพิ่มก็คงจะเริ่มที่จะคิดทบทวนแหละว่าปีหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราทําอะไรบ้างอะไรบ้างที่เรายังไม่ได้ทําอะไรบ้างที่เรายังยังต้องปรับปรุงมันเพิ่มเติม ส่วนมากถ้าเราพูดกันอย่างนี้เนี่ยมันก็ส่วนมากเราก็จะหมายหมายมุ่งไปกับการงานสมัครหรือเกี่ยวกับการใช้ชีวิตวก็คือเกี่ยวกับผู้คนใช่ไหมแต่ไหนๆแล้วเราเป็นผู้ที่มาฝึกหัดปฏิบัติ จ, จิตใจแล้วเนี่ยก็เอาแง่งเงื่อนทางด้านจิตใจเราเนี่ยเข้ามาขนวกด้วยก็จะดีมากหมายถึงว่า ปีนี้เราพัฒนาจิตใจของเราได้ไหมโลภะโทสะโมหะของเราเนี่ยมันมากขึ้นโตขึ้นหรือเราพัฒนามันจนโลภะโทสะโมหะราคะเหล่านี้มันลดน้อยลงพอพูดอย่างนี้ก็อาจจะดูยากนิดหนึ่งนะเพราะฉะนั้นถ้าพูดให้มันดูเป็นรูปธรรมขึ้นก็ พุ่ในแง่ของศีลก็ได้ปีนี้เรารักษาศีลได้ดีไหมเราเบียดเบียนคนเบียดเบียนสัตว์มากน้อยแค่ไหนแล้วพอเราเห็นแล้วเราทบทวนแล้วเนี่ยเราจะปรับปรุงมันยังไงได้บ้างเราจะหาเวลาหรือว่ากิจกรรมมาแทรกในชีวิตของเราเพิ่มเติมยังไงปรับจูนยังไงเพื่อที่จะให้เรา สามารถรักษาสีมได้ดีขึ้นอย่างนี้หรือให้เราได้มีเวลาที่จะมาดูแลจิตใจเราได้มากขึ้นให้เรามีเวลาที่จะมีเวลานั่งสมาธิเดินจงกลมมากขึ้นอย่างน้อยๆวันหนึ่งสักช่วงเวลาหนึ่งก็ยังดีจากที่อาจจะไม่เคยมีเลยเพราะว่าวันวันหนึ่งนั้นกามันก็ยุ่งตื่นเช้าก็ต้องรีบทำงาน ยินกลับมาก็ดึกดืนร่างกายก็เพลียก็ต้องรีบพับผ่อนแต่ถ้าเราตั้งใจที่จะทำอะไรดีๆให้กับตัวเองเนี่ยมันต้องสรรหาเวลาได้แหละเราก็คอยจัดสรรตารางชีวิตของเราใหม่ตรงไหนที่พอเอาออกได้เอาออกหมายถึงว่าเวลาที่มันไม่จำเป็นเวลาที่เราเอาไปใช้ให้มันรื่นเริงบันเทิงไปกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัส เราสามารถที่จะแบ่งเวลามาได้ไหมให้กับการที่เรามาเข้าขสมาธิทำความสงบหรือว่าไปเดินจุงกรมอย่างนี้เพราะฉะนั้นการจัดสรรตารางเวลาเนี่ยมันก็จะทำให้เราได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตของเราปรับเปลี่ยนเป็นอนทิศทางไหนมันก็ต้องมีเป้าหมายใช่ไหมว่าเราจะพัฒนาอะไรเราอาจจะ เพิ่มที่เข้มข้นกับการที่เราจะรักษาศีลศี่ยห้าให้มันดีดีมากขึ้นจากคนที่อาจจะเที่ยวบ่อยเที่ยวกลางคืนบ่อยไปปาร์ตี้บ่อยๆดื่มแอลกอฮอล์มากๆนี้เราก็อาจจะตั้งเป้าไว้ว่าเราจะลดลงนะจากเที่ยวมันทุกวันอาจจะเหลือเที่ยวสักสัปดาห์ละสองสาครั้งหรือ ถ้ามันดีก็คือไม่เที่ยวเลยมันก็ขึ้นอยู่กับหนึ่งแหละความตั้งใจใช่ป่ะถ้าเรามีความตั้งใจที่จะทำให้มันแน่วแน่จริงจังเราก็จะต้องจัดสรรเวลาให้มันได้แต่แน่นอนว่าได้อย่างต้องเสียอย่างมันไม่มีอะไรไดมาหลายๆอย่างโดยไม่เสียอะไรไป แต่พอพูดว่าได้อย่างเสียอย่างเนี่ยอาจจะรู้สึกแบบมีความรู้สึกลบๆนิดหน่อยเพราะว่ามันคําว่าเสียเนี่ยมันก็กระตุกระเทนจิตใจทําให้รู้สึกว่าโอ้เราเสียนะเสียอะไรไปสักอย่างหนึ่งถ้าคิดปกติก็อาจจะดูแล้วน่าตกใจนล็กน้อยว่าได้อย่างนี้มันก็ต้องเสียอย่างไปนะ แต่ถ้าเรามองในความเป็นจริงเนี่เราได้ธรรมะใช่ไหเสียงที่เราเสียไปก็คือช่วงเวลาของอกุศลนั่นแหละดีจะตายเสียอกุศลได้กุศลมาได้สองดิงเลยได้หลีไกลาจากบาปอากุศลใช่ไหมแล้วก็ได้มาทำกุศลด้วยก็ตรงตามคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือ สัพพปาปัสสะอาการนังก็คือการงดเว้นจากการทำบาปทั้งปวงใช่ไหกุศลสู้กัสนปดาก็คือการทำความดีให้มันถึงพร้อมแต่ถ้าเราบวกเพิ่มเข้าไปอีกนะในกิจกรรมของเรามีการเข้าสมาธิทำความสงบใจเนี่ยเราก็จะได้สจิตระริโยทัปนังก็คือการทำจิตใจให้มันผ่องแผ้วผ่องใส มันก็ครบองเป็นขึ้นชื่อว่าเราได้เดินตามแนวทางคำสอนของพระพุทธเจ้ า, าที่พระองค์ทรงประทานไว้อย่างาครบถ้วนบริบูรณ์ก็คือละชั่วไม่แล้วก็ทำความดีให้ถึงพร้อมแล้วก็ทำจิตใจให้มันฝ่องใสแต่พอพูดอย่างนี้แล้วเนี่ยมันเหมือนจะเป็นสามข้อสามแบบที่มัน ต่างอันต่างอยู่ใช่แต่จริงๆแล้วเนี่ยสามข้อนี้มันเป็นแพ<ม>็กเกจเดียวกันเหมือนกับถ้าเราบอกว่าเป็นลูกเต่าใช่ไหมลูกเต่ามันต้องมีเลขหนึ่งถึงเลขหกมีหกด้านใช่ไแต่ละด้านแต่ละด้านก็คนละเลขแต่สุดท้ายก็คือลูกเตา่าอันเดียวกันมักแ8ก็เหมือนกัน มักแปะมันก็เป็นทางเดินอะเอกายนโนอยังพิกเวมัคโคทางสายเอกสายเดียวกรสายที่เรียวกว่อาอริยมามักมีองแปะก็เหมือนกับเส้นถนนเส้นนี้เป็นถนน8เลนเงี้ยก็เป็นถนนเส้นเดียวแต่มีแปช่องทางหัวใจพระพุทธศาสนาอันนี้ก็เหมือนกันคือเราทําความดี เราละเว้นความชั่วใช่ป่ะอันนี้ถ้าเราพิจารณาถึงบทพยัญชนะเพิ่มเติมเนี่ยเราก็จะได้ความกว้างขวางขึ้นอีกนิดหนึ่งตรงที่ว่าท่านใช้คําว่าสัพพบ า, บาปสังก็คือการไม่ทั้งปวงเลยนะหมายถึงว่าบาปอกุศลทั้งปวงเราไม่ทําเลยสักอย่างหนึ่งใช่ป่ะกุศลเสู้กระสัมปทาก็คือทําความดีให้มันถึงพร้อม หมายถึงว่าความดีมันมีเยอะแยะเยอะแยะเราอาจจะไม่ได้ทำค ร, ครบหมดทุกอันแต่ทำความดีให้มันพอดีกับศักยภาพที่เราจะเอาไปใช้ปทเรื่องความทุกข์เราให้มันได้เหมือนกับในพระในคำสอนน่เขาก็รวบรวมเป็นพระเตปิดได้ใช่ไหมตู้หนึ่งถ้าแจกแจงละเอียดอัตถกถาด้วยก็ต้อง90 90กว่าเล่ม91้าดเล่ม เราจะเข้าใจทุกบททุกบาทใน91เล่มเลยมันก็คงจะเฝื่องเกินไปเพราะว่าเวลาที่พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงประกาศพระศาสนาเนี่ยท่านก็ประกาศไปทั่วชมพูทวีปถูกไหมทั่วชมพูทวีปนี่ก็มีคนมาก้าหลายตาหลากหลายนิสัยเพราะฉะนั้นแน่นอนมันต้องมีคนที่มีอุปนิสัยที่ไปทางเดียวกับเราแล้วก็คนที่มีอุปนิสัยที่คนละทางกับเราก็มี เพราะงั้นความชำนาญพื้นเพความชอบอะไรเงี้ยแต่ละคนแต่ละคนมันก็จะแบ่งเป็นกลุ่มกลุ่มกลุ่มกลุ่มไปซึ่งกลุ่มนี้ถนัดอย่างนี้อีกกลุ่มนึงถนัดอีกอย่างหนึ่งแต่พระเจ้าเป็นผู้เลิศเป็นเป็นสารถีที่ฝึกเป็นผู้เลิศในโลกเป็นสารถีเอกเป็นผู้ฝึกชั้นเลิศเพราะนั้นไม่ว่าจะอุปนิสัยไหนไหนรเจ้กาก็ มีคำแนะนําที่เหมาะสมกับอุปนิสัยนั้นๆให้ได้เดินตามไปสู่เส้นทางอันนี้แหละมุ่งหน้าไปสู่ความพ้นทุกข์เพราะฉะนั้นเราจะเก็บทุกรายละเอียดทุกอุปนิสัยมาฝึกเนี่ยมันก็จะลําบากเหนื่อยเปล่าเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคัดเลือกคัดเลือกอันไหนที่มันเหมาะกับเราแล้วเราทําได้แก้ทุกข์ได้แล้วก็อามาใช้ อนไนที่มันดีอ่ะแต่ทำแล้วมันขัดขัดนอนแก้ทุกข์ลำบากแล้วก็พักไว้ก่อนนะเพราะนั้นมันถึงเป็นเรา จ, จึงใช้คำว่ากุศลสู้พระสัมปทาคือทำความดีให้มันถึงพร้อมนะความดีมีเท่าไหร่เยอะแยะเราก็เอาอันที่เราใช้ได้ใช้ดีใช้สะดวกเอามาแก้ทุกข์เราแล้วก็ เราบอกว่าเฮ้ยฉันทาแต่ความดีสุดท้ายเราก็ยังไปทำบาปอกุศลด้วยซึ่งชีวิตจริงมันก็จะมีเป็นแบบนี้แหละทำดีด้วยทำไม่ดีด้วยก็พู่กันไปมันก็จะมีคนส่วนน้อยที่ทำดีแล้วก็ละชั่วได้โดยสมบูรณ์นะก็จะมีส่วนน้อยแต่บางครั้งบางคนก็เหมือนกับคนที่ว่า อถ้าเหมือนในในหนังอะพวกโรบินฮูดเนี่ยใช่ปะ่ะที่ว่าอ่าไปปล้นเศรษีแล้วก็เอาเงินมาแจกคนจนอย่างเงี้ยอ่าฉันบอกฉันทำคนดีไงฉันเอาเงินมาแจกแต่สุดท้ายก็ไปปล้นเขาอันนี้คือทำความชั่วใช่ปะ่ะเพราะนั้นมันเป็นเส้นทางที่อมืมันทำให้เขาเรียกว่าเราจะไปถึง จุดมุ่งหมายเป้าหมายที่พระพุทธองค์วางไว้น่ะไปไม่ได้ไปไม่ถึงมันเหมือนคนขึ้นเขาอะเราบอกว่าการไม่ทำบาปทั้งปวงแล้วก็เป็นเส้นทางที่มันขึ้นเขาไปใช่ไหมทำความดีให้ถึงพร้อมก็ขึ้นเขาไปทำจิตให้มันผ่องใสผ่องแผ้วก็ขึ้นเขาไปทำได้อย่างนี้มันก็ดันดันดันดันกันขึ้นไปถสู่ยอดเขา แต่ถ้าเราทำบาป ก, ก็เหมือนเราลงเดินลงมาจากยอดเขาเราไม่ยอมทำความดีละความดีแล้วเราไม่ <S <S <ๆ>ไม่ยอมทำนะมันก็เหมือนเราลงยอดเขาเราไม่รักษาจิตใจให้มันผ่องใสก็เหมือนเราเดินลงจากยอดเขานะเพราะฉะนั้นทำความดีแต่ไม่ละความชัว่วมันก็เหมือนเดินขึ้นแล้วก็เดินลงนะมันไปไม่ถึงยอดเขาสักทีหนึ่ง นันถึงบอกว่ามันเป็นอะไรที่มันต้องไปพ ร, ร้อมๆกันทั้งสามตัวทาความชั่วอยู่ทาความดีก็ทาก็เหมือนเราขึ้นด้วยแล้วเราก็ลงด้วยแต่สุดท้ายเราก็จะจะจ ะ, จะมบ่นไม่ได้อะว่าเฮ้ยความดีฉันก็ทำนะทำไมฉันยังมีทุกข์อยู่เพราะอะไรก็เพราะคุณยังทำบาปอกุศลอยู่มันก็เป็นเหตุของความทุกข์อยู่แล้ว จะบอกว่าฉันทำความดีแล้วเอาความดีเป็นข้ออ้างที่จะละเลยปิดบังเพิกเฉยต่อการทำบาปอกุศลของตัวเองอันนี้ก็มันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเพราะนั้นการที่เราละบาปอกุศลทั้งป่วงได้แต่ก็ได้เดินขึ้นมันก็ จะแสดงให้เห็นถึงอะไรก็คือการที่เรามีศีลสมบูรณ์เนี่ยการที่เราไม่ได้ทำความชั่วเรางดบาปอากุศลได้เนี่ยเรื่องเราร้อนเรื่องภายนอกที่มันจะวุ่นวี่วุ่นวายเนี่ยมันก็ลดลงแน่นอนพอลดลงแล้วเนี่ยความสบายใจความสุขใจความดีงามในชีวิตเนี่ยมันก็เกิดได้ง่ายใช่ไหมแล้วยิ่งเราแบบว่าเราทำความดีด้วย ทำความดีให้มันถึงพร้อมเมตตาเราก็มีช่วยเหลือเปิดแผลคนอื่นอีกทั้งเรายังมีเมตตาเรายังเขาเรียกอะไรอะคอยมาฝึกหักทำความดีข้างนอกทำความดีให้กับข้างในพอคนทำความดีหมายถึงมีการให้ทานมีการรักษาศีลอย่างนี้นะดีมให้ดีแน่นอนแต่สิ่งที่มันยังมีก็คือความ ความทุกข์ทางใจอ่ะมันยังมีอยู่มันยังเบื่อเศร้าเหนาเซงได้มันยังมีความเศร้าหมองของใจได้ซึ่งคนทำดีแล้วก็ละชั่วมันยังไม่พ้นขายของมาก็คือความความที่ใจเรามันยังไม่ผ่องใสการที่เรามีเครื่องเศร้าหมองของใจที่เรียกว่ากิเลสยังมีตกค้างอยู่เนี่ย เราก็ยังรู้สึกว่าชีวิตมันยังมีความสุขได้ไม่บริบูรณ์ไม่เต็มที่เพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงต้องตกท้ายด้วยว่าสจิตตปริโยชน์แังคือการทำจิตใจให้ใหมันผ่องแพ้วผ่องสาสด้วยมันจึงจะครบถ้วนสมบูรณ์ในแนวทางเครื่องดำเนินที่ว่าเราไปถึงจุดหมายปลายทางอันนี้แล้วเนี่ยเรามีเรียกว่าถึงซึ่งสุขอันเป็นบรมก็คืออันประเสริฐ เนบรมสุขซึ่งในศาสนาอื่นเขส่วนมากก็จะสอนแค่ละชั่วทําดีเท่านั้นแหละอาจจะเพิกเฉยต่อสิ่ง น, นี้อาจจะคิดไม่ถึงว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยคนทําความดีก็มันอย่างที่ได้บอกไปหลายๆครั้งว่าการที่จะเป็นคนดีเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับการที่คนมีทุกข์นะการเป็นคนดีก็ยังมีทุกข์ได้เพราะฉะนั้น เป็นคนดีในแบบที่มีทุกเนี่ยอันนี้คือคนที่เขาเรียกว่ายังทําสจิตตะปริโยธปนังได้ไม่สมบูรณ์พร้อมยังไม่บริบูรณ์ก็ยังเป็นคนที่มีความทุกข์อยู่แต่ถ้าเราเป็นคนดีแล้วเราก็รู้จักความพดีแล้วก็รู้จักวิธีที่จะทำใจให้มันผ่องใสสงบประงับได้ด้วยเนี่ยมันก็จะทำให้เราลดทอนความทุกข์ ที่จิตใจของเราค่อยๆทดทอน ล, ลงไปหรือพูดอีกในหนึ่งก็คือกิเลสมันก็ได้ถูกขูดกลาวออกไปถูกปลอกลอกออกไปเพราะนั้นมันก็เป็นความละเอียดละออของพระพุทธเจ้าของเราเนี่แหละในคำสอนของท่านที่บริสุทธิ์บริบูรณ์หมดจดไม่มีช่องโหว่มากันถึง ถ้าเราทําได้ตามนั้นนี่มันถึงผลอันเลิศแน่นอนราะฉะนั้นก็ถึงจะเชื่อเห็นว่ามันเหมือนจะเป็นอันที่แยกจากกันก็คือทําไม่ทําบาต ท, ทั้งปวงทําความดีให้ถึงพร้อมทําจิตใจให้ผ่องใสแต่จริงๆแล้วมันก็คือต้องไปด้วยกันสาตัวถ้าเราอยากจะไปทําที่สุดของความทุกข์กำจัดทุกข์ให้มันได้ดี3ามตัวต้องไปด้วยกัน ถ้าเราทําความดีโดยละเว้นความชั่วได้อันนี้ก็กเขาเรียกว่าเป็นสเต็ปที่อัพเกรดขึ้นมาจากคนที่ทําความชั่วก็ทําความดีก็ทําคนทําความชั่วก็มีเรื่องเดือดร้อนคนทำความดีด้วยมันก็มีเรื่องดีเพราะฉะนั้นมันก็ดีๆสุขๆทุกๆตามภาษาโลกๆไปแต่พอเราเริ่มที่จะ รู้เริ่มที่จะทำก็คือกีดกันสิ่งที่มันเขาเรียกว่าเป็นบาปอากุศลโดยการที่เรามีสิ่งที่มันบริบูรณ์สมบูรณ์เราก็ได้ขึ้นชื่อว่าเราได้ยกระดับชีวิตยกระดับคุณภาพความดีของเราขึ้นมาอีกยกระดับจิตใจเราขึ้นมาอีกถ้าเปรียบเหมือนขึ้นเขาอย่างที่ว่าเนี่ยเราก็ไม่ได้อยู่แค่ตีนเขาแล้วเราก็ขึ้นมาอยู่ตรงกลาง ก็เหลือที่ว่าถ้าเร า, าไม่รู้จักวิธีบริหารจิตใจอเราทําจิตใจให้มันผ่องใสไม่เป็นเราละบาปเราบาเพ็ญบุญมันก็ยังเป็นคนที่ยังมีทุกข์เหยียบย่ําย่ํายีจิตใจได้อยู่เพราะว่าตราบใดที่มันยังมีตาหูจมูกลิ้นกายมันก็ต้องมีเรื่องที่มาผ่านมาทางตาหูจมูกลิ้นกา ย, ยมากระทบใจแน่นอน ถ้าเราโยงเข้าไปเนี่ยมันก็ไปเกี่ยวกับเรื่องของความทุกข์น่ะถ้าเราไม่ทุกข์เพราะแก่มันก็ต้องทุกข์เพราะเจ็บไข้ก็ไม่ทุกข์เพราะเจ็บไข้ก็ต้องทุกข์มาจากเพราะความตายอันนี้ยังไงก็เจอแน่นอนหลีกเลี่ยงไม่ได้เป็นทุกข์ที่เขาเรียกว่าเป็นเป็นเมนอะเป็นเมนของความทุกข์อะเป็นทุกข์ประจําลยแต่ทุกจรที่บางคนก็เจอบ้างไม่เจอบ้างใช่ป่ะก็คือโศกะความแห้งใจ ปริเทวะคือความร่ำไรลำพันธุปายาสัคือความคับแค้นใจทุกคือทุกกายโทมนัสคือทุกใจเหล่านี้เดี๋ยวมันก็จรมาจรไปซึ่งยังไงเราก็เจอแต่ถ้าเราทำให้ไอ้คำว่าสัจจิตตะปริโยธปนามเกิดขึ้นไม่ได้มันก็ยังต้องทุกๆอย่างนี้แหละถ้าจะเปรียบจบงานคือการขึ้นไปถึงยอดเขาเนี่ยก็ยังได้อยู่แคก่กลางๆเท่านั้นเอง แต่การที่เรามาฝึกหัดจิตใจนะรู้จักทําความสงบรู้จักพิจารณาให้เห็นว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นทุกข์นะแล้วเป็นเหตุเกิดเหตุเกิดทุกข์มันคืออะไรแล้วก็ทางดําเนินนี่ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์มันเป็นยังไงแล้วเราทําให้มันแจ่มแจ้งขึ้นมาที่ใจเราได้เราก็ได้ยกระดับเสมือนทําให้ ใจิตใจเรามันผ่องใสเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจนมันสดุดจีดก็คือว่าเราได้กำจัดความไม่รู้ตามความเป็นจริงออกไปจากใจความไม่รู้ที่เรียกว่าวิ ช, ชาเนะี่ยคือความไม่รู้ตามความเป็นจริงพอเราทำวิ ช, ชาให้มันเกิดขึ้นได้คือความรู้รู้สิ่งต่างๆตามสภาวะของของที่มันเป็นน่ะก็คือ มันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่มีตัวตนที่เที่ยงแท้ควบคุมไม่ได้พอเราทำอย่างนี้ได้ใจเราก็ปล่อยวางได้พอปล่อยวางได้ใจเราก็ยิ่งผ่องใสเข้าไปผ่องใสผ่องใสมากๆจนสุดท้ายมันก็เป็นบริสุทธิ์หมดจดเป็นวิสุทธิคือความหมดจดหมดจดจากเครื่องเศร้าหมอง ก็จบงานในพระศาสนาอันนี้ถ้าส่งถึงซึ่งบรงมสุขมันก็ให้ตั้งใจตั้งใจทบทวนพอเราทบทวนแล้วเราก็จะได้รู้ว่าเราควรจะต้องแก้ไขปรับปรุงตรงไห น, นใช่ไหมแล้วเราก็อะไระเราเรียก ว, ว่าการประกอบความเพียรเนี่ย สัมมาวายามะการประกอบความเพียรก็คือเพียรที่จะทำดีใช่ไหมดีอะไรที่เรายังไม่เคยทำก็ให้รีดทำดีอะไรที่เราทำดีแล้วเราก็พัฒนาให้มันดีมากขึ้นส่วนอกุศลอะไรที่เราไม่เคยทำเราก็อย่าไปทำมันแล้วก็เพียรที่จะละอกุศลที่เราเคยคุ้นชินเราเคยทำจนเป็นนิสัยเนี่ยก็ละล ะ, ละไป อันนี้คือการประกอบความเพียรเป็นแนวทางที่พระเจ้าวางอาไว้ให้ว่าถ้าเกิดขึ้นชื่อว่าเราจะประกอบความเพียรก็ให้มาเพียรในเรื่องเหล่านี้เพราะนั้นเราก็พยายามเนี่ยทบทวนสิ่งใด ท, ที่เรายังไม่เคยทําแล้วก็ความดีนะยังไม่เคยทําก็มาทําสิ่งใดที่ดีแล้วก็พยายามทําให้มันดีมากขึ้นป ร, ปรับอัปยศอะไรก็ รู้ให้มันเท่าทันแล้วก็หลีกไกลจากมันให้มันได้บ่อยๆอย่อยาคบมันเป็นเพื่อนปีใหม่นี้เรามีเพื่อนใหม่ที่เรียกว่าธรรมะเอาธรรมะมาเป็นเพื่อนเอากุศลมาเป็นเพื่อนแล้วก็เลิกคบเลิกคบเพื่อนเก่าที่เรียกว่ากิเลสที่มีตั้งหลายตัวนะ ข้าวก็คือหัวหน้าเพื่อนเราก็คือโลพะโกสะมมหะหลักขานี่เลยก็ถือว่าเป็นเรื่งงามยามดีที่เราจะได้ทำสิ่งดีๆให้กับชีวิตพัฒนาชีวิตตัวเราให้มันดีขึ้นดีงามขึ้นไปอีกมีความสุขที่มันมากขึ้นแล้วก็มีความทุกข์ที่มันลดลงไปเรื่อยๆ